พ่อผู้นี้ไม่ได้อ่านตำราเท่าไหร่แต่มาเป็นประสบการณ์ที่ท่านรู้มาในส่วนของอาตมาก็คงพูดได้เพียงประสบการณ์นะเพราะว่าคือรู้ตัวอยู่ว่ากําลังปุ๊บป่องปุ๊บป่บปบองเนี่ยว่าไก็กำลังต่อสู้อดทนอยู่กับอารมณ์ที่หงพ่อเรียว่ากามาสวะอันนี้มันหมายถึงความสงบด้วยเพราะอาตมาทําความสงบมา <c oughs> นาน หลายปีเมื่อกี้เพราะถ้าจัดเข้าในส่วนของหลวงพ่อแล้วนี่มันตกนฝ่ายสมถะหมดเลยเข่งเข่งวินยยัยแล้วก็นั่งสงบ พ, พอถอนจิตออกมาแล้วก็คิดเรื่องพระไตรักอย่างนี้เพ่งอาภาพะอย่างนี้แล้วก็นึกว่าตัวเ อ, ง, องนี้หลุดพ้นแล้วแล้วก็ถึงขนาดจะไปบริจาคศพบริจาคเลือดทํำไปแล้วก็แต่มันก็ลึกๆู้นก็ยังรู้อยู่ว่ามันชีวิตยังละหกละเหินอยู่เมื่อกี้ อย่างนี้นรู้อะไรพอไปฟังใครพูดขึ้นก็สงสัยนะให้เรารู้หรือเปล่าพอเขาบอกว่ามีศีลห้าละอบายมุกได้ก็เป็นมระโซดาบันตรงนี้เราก็อยากจะเป็นมระโซดาบันมากพอเขามาพูดว่าต้องปฏิบัติต้องเพ่งอย่างนั้นต้องคิดในแนวนี้ถึงจะเป็นสัมมาอริรอมกักต้องเคร่งให้ยิ่งแล้วก็เกิดความเหมือนกับว่าถูกถูก ถูกใครสักคนหนึ่งมาชี้ว่าเราเนี่ยทำผิดอย่างนี้เราก็เกิดความที่หลวงพ่อเรียกว่าสงสัยใครมาพูดอะไรขึ้นก็สงสัยไม่มั่นใจไม่มั่นใจตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้ตัวเองที่นี้ส่วนที่มาอยู่กับหลวงพอ่อ <c oughs> ก็ราๆเกือบสองปีนะไปๆมาณ ม, มาอยู่ภาษาก่อนภาษาที่แล้วก็พระเยอะก็เลยไปอยู่ทางบ้านนอกเท่า <c oughs> ที่สังเกตแล้วนี่มาจับจุดได้จุดหนึ่งว่า คือเราถือดีเนะี่ยควาจริงสิ่งที่เราถือมันมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้เราถือดี <c oughs> อย่างเช่นอาตมาทานบางสาวิรัตอย่างเนี้ที่นี่ไม่มีให้อย่างนี้เราก็มันจะถูกยังไงอย่างนี้นะอาตมาเข่งเรื่องที่นัยไม่จับเงินอย่างนี้ที่นี่เขาก็จับเงินกันอย่างงี้อาตม า, าต้องปูอาสนะอย่างนี้พระนางต้องมีอาสนะหลวงพ่อก็สั่งเก็บหมดอาตมาชั้นในบาทหลวงพ่อก็บอกให้ฉันในกลับมังอย่างงี้ มันมันสวนทางกันหมดนะแตมาฉันเก้าวงว่าก็บอกให้ฉันเจ็ดวงกับเพื่อนเขาให้มันยังไงแตมาไม่ใส่รองเท้าอย่างเี้ยหลงพ่อไม่พูดว่าแตมาอยู่นานนึงขณะมีพระรุ่นที่ท่ทานรุนแรงหน่อยขณะเจ้าอ่แตมาออกจากวัดเลยแตไม่ยอมใส่รองเท้าอยางเงี้ถือเคร่ง ข, งข้อวัดที่ตัวเองทํามานะมันให้อมองคนอวดดีนะถ้าคิดว่าตัวเองดีที่ว่าตัวเองแน่งนี้นะแล้วก็ลึกๆก็ ยกตนเพียมท่านเพื่อข่มด้วยซ้ำไปคือจิตตัวนี้เราไม่เคยเห็นมันเรือกเราเรามีอาจารย์ที่ดีกว่าเป็นผู้รู้มีอาจารย์ที่เข่งคัดกว่ามีอะไรที่ดีกว่านะ่ะไม่ยอมรับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างในใจว่านี่ก็มีของดีเหมือนกันท่านก็มีของดีเหมือนกันจนนานวันนานเดือนมาปฏิบัติไปแล้วมันอย่างที่ห้องพ่อบอกมันค่อยๆคลายคลายอยอกคลายอยอก สิ่งที่เราเคยทํามายิ่งแต่ก่อนสมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทํากิจกรรมมาพกมีรวมการที่ถี่มานะมากคิดว่าสิ่งที่เราคิดอี่มันต้องถูกนะคือลึกๆมันเรามีความคิดอยู่ว่ามาปฏิบัติแล้วจะได้อะไรนะเช่นไปนเรียนหนังสือต้องได้ปริญญาบัตรงนี้ถ้าเข้ากลุ่มอยู่ต้องเป็นฮีโร่ในกลุ่มนะหรือว่าถ้ามาปฏิบัติต้องมีอะไรดีไว้คุยอวดข่มยมหน่อยๆมันเราก็รู้เหมือนกันอย่างนี้ ว, ว่าไปพอไปเข้าสํานักไหนก็พยายามจะจับจุดเด่นแล้วก็มามาให้มันเข้าขตัวเองให้เราตัวเองเป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มเหมือนกันอันนี้เป็นนิสัยที่มีมาอาจะมามีจุดนีสแรงมากทีนี่มารับตัดตอนมาเอามาเกิดพงพ่อนี่ก็เพราะว่าแต่ก่อนก็ออกเที่ยวไปหลายแหง่งแล้วก็มีประสบการณ์ก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะพูดนะเพราะว่าตัวเองเห็นนะว่ามันพลาด เล่นไปนั่งมาเล่นแต่สินเล่นไฟอย่างนี้เพ่งเพ่งเพ่งหลอดหกสิบแรงเทียนจนดับเลยไฟไม่ดับเลยสิ่งที่เราเห็นมันหลีลงหลีลงหอดนี่จนเห็นไฟเล็กลงเล็กลงนะมันเกิดมันก่อนเราหนีแน่เมื่อกันมีพลังมีอะไรขึ้นมาทักอย่างหนึ่งนี้นะแล้วก็เล่นพวกปุกพระเวลานี้เรื่องกับใครก็เอาพระมาสั่นพระขยองพระหกมึกขึ้นก็วิ่งตีอะไรอย่างนึงเป็นมันทําได้อย่างยิงนะวิ่ง นี่ยังมีแผลอยู่เลยวิ่งขึ้นโคตัวใหญ่ไม่กลัววิ่งก็าตีอย่างนี้มันมันแปลกอยู่อย่างมันทําได้แต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่่ต้องทําผิดศีล น, น, นะนะไม่ดีแล้วก็ถือเคร่งอาหารอยู่นานเนัืนกันเพราะว่าเราคิดว่าเราบางที่หลวงพ่อว่าเมตตามันมันเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เราเร า, เราเข้าใจในส่วนที่ว่ามันมันน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดอันนี้ก็คงพูดได้ในละเอียด ที่นี่ในส่วนอีกส่วนหนึ่งคือความรู้ที่เรารู้มามีหลายครั้งหลวงพ่อบอกว่าทำมาที่ท่านพูดจะรู้ก่อนไม่ได้อ ต, ตัวนี้สําคัญมากโปรดได้ฟังท่านพูดเบิร์ดครั้งก็ออกมาคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้มันผิดผิดหลักการรู้ของแบบหลวงพอ่อเช่นดีชั่วอย่างเนี้เมื่อหลายครั้งเราเห็นเพื่อนทําแล้วก็เราว่าไม่ดีเราไปบอกหลวงพอ่อเพราะพ่อไม่เคยบอกว่าเราดีเลยหลวงพ่อบอกคุณไม่ดูตัวเองถ้าจะพูดในจุดนี้เลยแปลก เช่นเพื่อนหลายอย่างเข้บอกว่าไม่ดีไม่ดีมันผิดวินยันยวินัยมากอย่างนี้อย่งนี้งี้ท่านก็บอกคุณไม่ดูตัวเอง <c ười> คือจะย้อนกลับมาที่ตัวเราแล้วว่าเราไม่ดีไม่ดูตัวเองอเลยเราก็เลยตั้งหลังมามันก็เลยคลายๆออกเป็นกันนึ่งนี้แล้วก็มีหลายอย่างเช่ น, นครั้งแรกๆมาอยู่กับท่านท่านให้อารมณ์ปฏิบัติฝึกให้บอกให้ท่านก็บอกปฏิบัติรู้สึกตัวดีไห ม, ามาก็รู้อ่รู้ก็ไปยักก็ไปยักก็ไป เงียบก็ฟังห็นนะตัวเองก็ไปคิดว่าเออมันคงจะเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเพราะเองเคยเคยเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปอย่างนั้นนะถามมันมันแน่นมันปวดขึ้นมาเนี่ยแน่นใน อ, อกเกลียดเครียดมากเลยแต่ลังมามาได้ท่านอาจารย์ถาวรช่วยท่งบอกไม่ให้ไปเพ่งไปดูมันลึกไปให้กกลับมาอยู่ตัวนี้ตื่นๆกลางมันก็คลายออกคือเราต้ออย่าเข้าใจคําสอนท่านทายใต้ความรู้ของเรานะ่งจุดนี้เอง เราฝากผู้คนนั่ด้วยเรามักจะเข้าใจประสบการณ์สภายใต้ความรู้ของเราเช่นพอเขาบอกว่าอสระบุรีเป็นอย่างนั้นนะโรงพยาบาลเป็นอย่างนั้นนะเราไม่เคยไปอย่างนี้นะเราก็จะคิดเอาจุดนี้จุดหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าเราปฏิบัติลงล็อกแล้วบ้างแล้วนี่พอท่านพูดจากนี่ไปสนามหลวงอย่างนี้ท่านบอกทางนี้เปถึงปากซอยไปถึงถนนเส้นนั้นเท่านั้นท่านจะบอกเป็นระยะระยะไปถ้าเราปฏิบัติลงล็อกเราจะรู้ว่าเราถึงไหน อันนี้ชติเลยใช่เราถึงปากซอยรู้เอาลุงรูปมางจะเป็นอย่างนี้พากฎจิตจะเป็นอย่างนี้มันจะเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจแต่ถ้าเผื่อหลวงพ่อพูดสูงไปเราสุดละเริ่มรู้ตัวเองว่าเราภูมิเรารยัางไม่ถึงนี่จะเป็นการสอบตัวเองก็ได้นะว่าเราอยู่ในขั้นไหนอารมณ์ขั้นไหนจุดนี้นี่รู้ธรรมะแบบบางพ่อมันจะต้องรู้แบบประสบการณ์ในการจิตมันเห็นเห็นเห็นเห็นเห็ น, ห, นหรือไม่เห็นเพราะว่า อยงที่เมื่กี้พอท่านพูดถึงเรื่องตัดเชือ่อกอตมาก็ไม่สามารถรู้ได้นี่ท่านพูดเปรียบเทียบคนตกน้ากํานี้ว่าขึ้นมาแล้วก็ไหวยน้ําไม่ถึงฝั่งบางคนตกน้ําขึ้นมากําลังไหว้อยู่หรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันเราจึงเข้าใจคําว่าโสดาปฏิมาเกิดถึงอรหันตผลได้ความงมงายในขั้นศีลพระปรามาสความยึดถือในสักกายดิจิความวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในมรรคปฏิปทาการปฏิบัติในขั้นหนึ่งมันต้องล้าระดับนี้ แต่ที่จะขึ้นเป็นะระดับกางระดับปฏิฆะระดับอวิชานี่มันเราก็ไม่สามารถอาจจะรู้ได้ลึกซึ้งนันแต่ที่แน่ๆมันจะเห็นความจืดจางของคือความยึดมั่นถือมันมันคลายออกมันต้องพ่อเปลียนเทียบกับนอตที่เราสบายสบยออกเริ่มคลายออแล้วมีหลายอย่างที่ทําลายทําลายความยึดถือแต่มาจังๆเลยหลวงพ่อคือท่านจะไม่ค่อยพูดกับเรานานอย่างเช่นเราไปบอกให้มาเราอยากปฏิบัติที่มุ่งมั่น คือผู้เรมองว่าเราควรจะได้อย่า ง, ง, า น, างนูนะงนะงมม้นอย่างนี้นะขอฝากตัวให้หลวงพ่อดูแลอย่างไรผมมัธยมศรีวิหารอย่างนี้นะคือเราจะพูดได้ยมองโลกมากอยา ก, กได้แต่ท่านกลับบอกว่าเฮ้ยผมจิพาคุณตกเหวตายท่านกลับพูดจ้ะคือธรรมดาเรากลัวตายเราอยากจะได้อยา ก, กไปอยู่ในนิพพานอยู่อะไรที่มันสบา ย, ยนะมเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านกลับบอกว่าผมจะพาะคุณตกเหี้ยวตายนะท่านค่ะ นี่ถ้าเป็นคนระดับอย่างนี้หมดสภายาไม่พูดอย่างนี้คงหอบกรดหอบบาดไปนะและวัยครั้งบางทีเรามันก็เกิดสภาพว่าบางอย่างที่เป็นกําลังใจนะแล้วก็ขยันทํามุ่นทํานี้แล้วก็ออกความคิดวันนี้ น, นู่อย่างนี้อย่างนี้บางวันท่าก็พูดคือรู้ว่าพูดให้เราก็เรื่องมันเกี่ยวพันกนะันท่านบอกว่าคุณชืสัตว์อุดมการคุณเนี่ยทิ้งให้หมดนะฮนะมันหนักนะ เราก็ขัดใจเอ๊ะโดนการก็แบบเป็นของดีนะครับต้องเชื่อมัน่นต้องเสียสระผิดถูกต้องต้องอย่างงี้อย่างงี้ตามที่เรารู้จักเราเรียนมาแต่เราพ่อกลับมาบอกว่าอุดนการณ์ของหนักเนียคุณแบกมันได้ทำไมพว้ต้อศึกษาอย่างผมไม่อยากสอนเอาไม่จริงหรอเปล่ามันมีแต่พูดมันเอาไม่จริงอะเราก็เอ๊ะเราเอาจริงนะทำไมท่านบอกว่าเราเอาไม่จริงนั่ก็คือโกอธพ่อหนะโกรธนะถ้าท่าน มันต้องมีอะไรบางอย่างหล่อเราอะไรเลี้ยงเราอะไรเหมือนกันนะแต่เมื่อตอนนําก็โกรธเหมือนกันนี่ทำไมพูดอย่างนี้แต่มันก็คลายไปหลายครั้งอย่างเช่นครั้งหนึ่งธรรมามีโยมมาบ่อยนานั้งไต่ใหม่ใหม่ ม, มีมีการอบรมหลายรุ่นธรรมาก็ช่วยหลวงพ่อตักถือเทียบที่อะไรแล้วก็คุยกับญาติโยมที่ชวนมาอยู่ท่านก็มาบอกว่าคุณที่สักเดินธรรมดานะอ ย, อย่าขึ้นต้นไม้นะตกบนจิตท่านะา อ้ต่านีหน้าแดงตัวนี้เข้าใจเรื่องมากเลย <c oughs> พวกอาจารมาเคยเดินมาทานนักเรียนอ่ะเคยถามเสียงพูดแทนเคยประเภทว่าฮีโร่เก่าอะไนะ <c oughs> มาเจอแล้วพ่อบอกมันพูดสามหน้านเลย <c oughs> อย่าขึ้นต้นมาให้นะตกมันจิตมันแน่นานนะแน่นอยู่นานเลย <c oughs> ว่าเราท่านนี้จะให้กําลังใจนะไหมธรรมดาคนเขาเลี้ยงคนไว้ใช้งานเขาให้กําลังใจดีตัวนี้เขาจะเลี้ยงคนไม่ใช้งาน <c oughs> แต่นลวงพ่อหนูไม่เลี้ยงเลยนะ <c oughs> เอาจังเลยแล้วพูดต่อหน้าคนด้วยนะ อยากขึ้นมันนี่รู้กันเนี่ยนะเพราคนชอบขึ้นขึ้นมามันอยากสูงกว่าคนอื่นเนี่ยท่าก็สาบตรงๆเลยอยากขึ้นมาตกมันเจ็บนี่เรามันซิกเซนรู้เลยวรูเเจ็บโดนฉาบไปบ่อยนะโดนด้วนหลวงพ่อขนาดพอไปบ่อยอย่างมีครั้งหนึ่งนั่งนั่งก็เผลอนั่งไม่ใช่เผลอนั่งสงบจากความรู้สึกมันสงบลงกลางคืนเป็นอยู่สามสี่คืนมันสงบมันตื่นขึ้นมามันปิ๊บตามันรู้รหมดเลย อะไรมันรู้หมดคนเดินก็แก้ความคิดเห็นหมดมันมีมันก็มีอะไรตุนเด่นมันดวงไฟเด่นอยู่รู้ๆอยู่นานเป็นอยู่หลายวันไม่กายบอกแล้วว่ากลหลวงพ่อจะสาวเอาอย่างเงี้ยกูกลัอีกเนี่ยหลักสี่ห้าวันมันเป็นอยู่ตรงเงี้ยตอนยิ่งเป็นเป็นมากมันตื่นมากเลยหัวใจเต้นมันรู้หมดเลยนะพอเข้าไปหาเขาบอกแล้เป็นอย่างงู้นอย่างเนี้ยท่านก็มอกหน้านะท่านบอกนะความคิดคนเนี่ยมันดีนะะมันเป็นอย่างนี้นะ มันมันกงหักหน้าหรอคือเมื่อท่านทําลายแกกันเราทิ้งหมดเลยนะคือท่านไม่บอกว่ามันดีมันไม่พูดเลยตั้งหลังมาเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นมันดับไปหมดแล้วเราเก็บมันมาแติเมื่อคืนนี้ไปพูดให้ท่านฟังอนะเราคือไปยึดถือมันคือรู้แล้วไปยึดมันรู้ว่ามันสงบว่ามันดีอยู่นู้นอย่างนี้ตีเกิดขนทู้ซ่าดมันเมดเอ้มันมันสบาไปบอกท่านท่านไม่สนใจเลยท่านกลับทุบไปสิ่งที่เราจะอยากจะบอกมันเองหลวงพ่อทองมัน่ะ ตอนนั้นไปพักอย่บ้านรวมที่สุขุมเดินคยู่มจังวันแดเปี่ยนเนี่ยมันเกิดเย็นเกิดร้องไห้ออกมายิ่งเดินยิ่งร้องไห้น้ําตาไหลตัวก็เย็นแต่ไม่ใช่ร้องไห้แบบเสียใจมันดีใจนะเป็นอยู่นาเลยเล ย, เลยจําที่หลวงพ่อแก้อารมณ์ชาวสิงคโปร์ได้ว่าให้เลิกปฏิบัติแล้วเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองก็นั่งนงผ้านีเปี่ยนนู้นเลยก็เขาแก้เถอะออกจากอารมณ์ได้นะคือรู้ว่าต้อแก่วิธีนี้มันรู้ฟังมาก่อนอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้จําไว้ก่อน เขแก่แกล้วนะดีใจเพราะเาบอกเราก็อทองผมเป็นอย่างนู้นคือคิดว่าหลวงพ่อทองจะชมมันะพราะพ่อก็บอกว่าเอออย่าไปสนใจมันทํำไปทำไปนะคือมันแตกกับอย่างที่อื่นที่ททพอเราได้อะไรมาเขาจะยุยุเข้าไปอีกนะแต่ทุกอย่างที่มาบอกจะจะทำลายเขาหมดเลยนะจุดเด่นมากอย่างนี้นะพี่ไม่เคยเจอนะอย่างใกล้ๆล่าสุดนี่ก็มีข้างหนึงก็ไปบอกกันผมเป็นอย่างนี้ อันนี้ครั้งที่ดีที่สุดที่เคยฟังนะผมเห็นอย่างนมันมันดับอ่างนุ่นตอนมันเกิดมันเกิดอย่างงั้นทําไมมันถึงเกิดมันดํานี่มันคุยทาฟังไม่เคยท่านก็บอกอื้อคุณต้องทาอีกเป็นปีนะเป็นตะีคือเราเคยฟังท่านบอกว่าสามตีอย่างเช้าหนึ่งปีที่ทบอกท่านเขาบอกทําอีกเป็นปนะีโอ้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันพิเศษสาหรับเราเนี่ย พอไปถึงท่านท่านยอดส่วนของทัน ท, ทีเลยไม่มีอะไรอะไรนี่นะท่านท่าที่จําได้ท่านจะทําไม่ทําให้มันไม่มีค่าเลยไม่มีค่าจริงทุกอย่างไม่มีค่าเลยอะไรที่เราไปรู้เข้าเที่มัน ด, นดีไม่มีค่าเลยไม่มีค่าอัตมาเสียทาด้นะตอนงานมันเทียนมันเทียนทำมันเกิดหลวงพ่อติดภาพสองทำงานแล้วมานท่างสั่งลืมหมดเลยคือคือไม่ไม่มีการต่อรองเลยนะประเภทถ้าทนไม่ได้ก็ไปเลยนะไม่งอนะ้อ คือเราเคยค้ำบุญร่มกันมาดีมาอยะไงน่นะเช่นไปปักกฎที่จันกระเซ็งไม่พูดอยงโน้นอย่างนี้อีกไม่มีคำชมเลยที่นี่ไม่ยจุดนี้แปลกแล้วหลังสุดเข้าไปหาท่านเห็นพระท่านความเรื่องทิศบอกลว่าพ่อว่าเทพบรรชายอย่างโน้นอย่างนี้หลวงพ่อนีวัยมากนี่ชมมันเลยจะว่าประจกก็ยอมนะท่านรู้คงรู้เราก็รู้ว่าจะมามาอย่างไรแห่งนะ ท่านก็เคยบอกท่านท่าก็คุยกับพเรื่องอื่นอยู่นะเพราะอาตมาไปนหน้ารองพระเดียวแหละท่านบอกว่าอู้วิสุทธ์ที่มากอยู่เรื่องขนาดนี้ให้บอกผมอ่านทหมดแล้วจะเหลืองสองขวมมันบอกหรือปฏิบัติสองขวมอาตมาเขาเฉย็ก็ทํำไม่คือไม่เสียใจนะท่านก็พูดอย่างนี้อีกตองนี้ก็อยู่วันนั้นท่านก็บอกว่าพูดกันยาวเขียนกันไปแต่ผมจับได้สองขวมมันบอกอาตมาหลวงพ่อหลวอนี่รู้มารู้ต่อหลัง สองคนเป็นอะไรครับถามไปท่านตอบเราคุณอย่าพู้ไปานตัเองสิฉันว่าไงตอบหน้าเรากลับมาเลยนะคือธรรมดาเราที่ท่านจะบอกเราอย่างนะี้นะของสําคัญทางคันต้องบอกเรานะพอเราหลงกลของพ่อถามหลวงพ่อไปคือท่านพูดสองครั้งว่าจะให้เราสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็หลงกลหลงพ่อหลอกแล้วเราก็ไม่ถามของพ่อท่านก็ตอบให้อาจารย์ก็เลยออกร้องมาโดนแคลดแบบนี้โดนบ่อยๆแล้มีครั้งหนึ่งจําได้ท่านพูดที่ศาลาท่านบอกว่า ผมอีกไม่นา น, นแล้วเดีย๋ยวเขาตายแล้วตายแล้วให้หมากินก็ไม่ไให้หมากินก็เส้เนเรื่องอนะ <S <S ่ะนี่ประโยชนอะไรนะเต็กกับหลวงพ่อทำลายหมดเลยถ้าเราได้รู้อะไรขึ้นมาอย่างมากท่านก็บอกว่าทำต่อไปจับความรู้สึกนี่เป็นฐานดูแค่นี้เอง